แนะนำบท อัร-เราะห์มาน บท อัร-เราะห์มาน เป็นบทมักกียะห์มี 78 องค์การบทนี้ได้เริ่มต้นอธิบายถึงบุญคุณอันหลากหลายของอัลเลาะห์และความโปรดปรานอันชัดแจ้งอย่างมากมายของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวอย่างเหลือคณนับโดยเฉพาะในเบื้องต้นของความโปรดปรานนั้นก็คือการสอนอัลกุรอานโดยถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่แก่มนุษย์หลังจากนี้ ทั้งบทนี้ได้เปิดโฉมหน้าจักรวาลกล่าวถึงบุญคุณอันสําคัญของอัลเลาะห์ที่มีต่อมนุษย์เหลือขนานับเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นไม้ท้องฟ้าอันสูงส่งปราศจากสิ่งค้ําจุนและสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงอานุภาพและการประดิษฐ์ที่น่าประหลาดแผ่นดินซึ่งใช้เป็นที่หว่านพืชพันธุ์ธัญญอาหารนานาชนิด เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพของมนุษย์บทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานแห่งอานุภาพในการโคจรของจักรราศีการแหวกว่ายของนาวาในท้องมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมเสมือนขุนเขาอันมหึมาที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลทรายหลังจากนั้นได้สาธยายในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ว่าต้องสูญสลายอย่างแน่นอนจะไม่มีสิ่งใดคงเหลืออยู่ในพิภพนี้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 และนั่นเป็นการจบที่เหมาะสมยิ่งสําหรับบทอัลรอห์มานดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธองค์การนี้ถูกนํามากล่าวในบทถึง 31 ครั้งโดยกล่าวไว้ 8 ครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ในการสร้างความสวยงามในการประดิษฐ์สิ่งที่ถูกสร้างมาการสร้างในครั้งแรกและการสร้างครั้งที่ 2 ในวันปรโลก อีก 7 ครั้งหลังจากบรรดาองค์การที่กล่าวถึงไฟนรกและความรุนแรงของมันอีก 8 ครั้งกล่าวหลังจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวกับสวนสวรรค์ทั้ง 2 แห่งและอีก 8 ครั้งถึงชาวสวนสวรรค์ชั้นรองลงมาทั้ง 2 แห่งของชาวกลุ่มทางขวาบทสนทนาในทุกองค์การเป็นการสนทนามนุษย์กับยินจุดมุ่งหมายในการนี้เป็นการประณามอย่างหนัก ในความอกตัญญูของพวกปฏิเสธเพราะว่าผู้ที่มีบุญคุณอันมากมายเช่นนี้สมควรยิ่งที่จะต้องขอบคุณและศรัทธามิใช่ด้วยการปฏิเสธศรัทธาและการเนรคุณประโยชน์ในการกล่าวซ้ำในองค์การนี้ก็คือเมื่อได้ยินการกล่าวถึงบุญคุณแต่ราชนิดก็จะเตรียมจิตใจเพื่อใคร่ครวญให้มีการตื่นตัวตื่นใจและเพื่อไม่ให้ความหลงลืมเข้ามาครอบงำอัลเลาะห์ ทรงแจกแจงบุญคุณและความโปรดปรานของพระองค์ในบทนี้การที่ได้นําองค์การนี้มากล่าวชี้แจงไว้ในบทแนะนํานี้ก็เพื่อจะได้ไม่กล่าวเป็นการซ้ําเมื่อได้อธิบายความหมายขององค์การนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัรเราะห์มานผู้ทรงกรุณา عَلَّمَ الْقُرْآنَ ພຣົງຊົງສອນອັນກຸຣອານ ﺧَﻠَقَ الْإِنْسَانَ ພຣົງຊົງສ້າງມະນຸດ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ພຣົງຊົງສອນໃຫ້ເຂົາเปล่งສຽງພູດ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะโคจรตามวิถีที่แน่นอนและดวงดาวและต้นไม้ทั้งสองนั้นจะกราบพระองค์และชั้นฟ้านั้นพระองค์จะทรงยกมันไว้สูงและทรงวางความสมดุลไว้ เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ฝ่าฝืนในเรื่องการชั่งตวงวัดและจงทํารงไว้ซึ่งการชั่งตวงวัดด้วยความเที่ยงธรรมและอย่าให้ขาดหรือหย่อนตาชั่ง และแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมมันไว้เพื่อสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นในแผ่นดินนั้นมีผลไม้และต้นอินทพรัมที่มีผลซ้อนกันหลายชั้น และมีเม็ดที่มีเปลือกและมีกลิ่นหอม ذانن ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากดินเหนียวเช่นดินที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาและพระองค์ทรงสร้างยินจากเปลวไฟดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสอง ที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธรบุลมัชริกัยนิวะร็อบุลมัฆริบัยพระเจ้าแห่งทิศตะวันออกทั้งสองและพระเจ้าแห่งทิศตะวันตกทั้งสองนบีไออาลาอ์ร็อบบุกุมาตุกัซซิบันดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธมัรัจญัลบะห์รัยนยัลตะกิยันพระองค์ทรงทําให้ทะเลทั้งสอง ไล่มาบรรจบกันในนำมาบบซะขุลลายะบะกียันระหว่างมันทั้งสองมีที่กั้นขีดขวางมีให้ล้ำเขตต่อกันตะบีอัยอาลายรบกูมาตุกัซดิบันดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธยะคูรุจมินฮุมะนลูลูวัลมัรจัน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 แลพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงประเสริฐเท่านั้นที่จะยังคงเหลืออยู่ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะขอพรองค์อยู่ทุกๆวันพระองค์ทรงมีภารกิจ رَبِّ أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ سَنُفْرِغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ อีกไม่ช้าเราจะจัดการกับพวกเจ้าโอ้มนุษย์และญินเอ๋ยแทบิไออาลายรบุกูมาตุกัซิบานดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธยามาชรุลญินวัลอินซิอินสตะฏอตุมอันตาฟุดูมินอกฏอริสซะมาวาติวัลอัรฎ इनिस्ततअतुम अन ताखुदु मिन अक्तारिस समावात वल अर्द फअखुदु ला तन्फदुना इल्ला बिसुल्तान ओ जुमदुम हंग जिन ल मनुथ थंग लाई हाग फोक चाउ मी ख्वम सामात थि चा पान हाइ फोन बन्दा खॉफ फा ल फदिन नी दाई को चोंग पान पाइ हाइ फोन थर्थ ता वा फोक चाउ मै सामात थि चा पान फोन पाइ दाई เว้นแต่ด้วยพลังของอัลเลาะห์เท่านั้น فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ يُسْأَلُ عَلَيْكُمَا شُهَاذٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ เปลวไฟและทองเหลืองจะถูกทรงมายังเจ้าทั้งสองและเจ้าทั้งสองก็ไม่อาจป้องกันตนเองได้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 ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในวันนั้นมนุษย์และยินจะไม่ถูกถามถึงความผิดของเขาดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธยะอฺรอฟุลมุญริมูนบิซีมาฮุมฟะยูคฺซะดุบินนวาศิวัลอฺกอดามบรรดาผู้ที่มีความผิดจะเป็นที่รู้จักกันได้ที่เครื่องหมายของพวกเขาและจะถูกจับตรงขมับและเท้าลากลงนรกฟะบิอัยยอาลายร็อบบุกุมาตุกัซซิบัน ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธนี่คือนรกที่บรรดาผู้ที่มีความผิดไม่ยอมเชื่อพวกเขาจะเดินวนเวียนอยู่รอบๆระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือดพวกเขาจะเดินวนเวียนอยู่รอบๆระหว่างมันกับน้ำร้อนที่เดือด ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธวัลลิมันคอคอมะกามร็อบบีฮิจันนะตันและสําหรับผู้ยำเกรงต่อการยืนต่อหน้าพระพรรคแห่งพระผู้อภิบาลของเขาเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ 2 แห่งนะบีอายะลาร็อบบุกุมาตุกัดดิบัน ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธสวนสวรรค์ 2 แห่งนั้นมีต้นไม้แผ่กิ่งก้านเขียวชอุ่มและผลไม้หลากชนิดดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ ในสวนสวรรค์ทั้ง 2 แห่งนั้นมีน้ำตา 2 แห่งไหลพร่างพรูและมีไออาล่ารบกุมาตุกดบันดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้ง 2 ที่เจ้าทั้ง 2 ปฏิเสธดีมามินกุลลีฟากิฮะตินซอจาในสวนสวรรค์ทั้ง 2 แห่งนั้นมีผลไม้ทุกชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพวกเขาจะนอนเอกเณกอยู่บนฟูกซึ่งซับในของมันทําด้วยไหมพรหมอย่างดี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 ในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารีผู้ลดสายตาลงมองเฉพาะสามีของนางเท่านั้น ซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินแต่ต้องตัวนางมาก่อนเลย فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ คล้ายกับว่าพวกนางเป็นทับทิมและประการัง فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่ง พระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ